ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎกหนึยกหอย่างยึดถือจะชื่อว่าไม่มีโทษไม่มีดูก่อนภิกษุทั้งหลายในข้อนั้นอริยาสาวกผู้ได้สะดับแล้วย่อมพิจารณาอย่างนี้ว่าข้อที่ว่าเรายังยึดถืออยู่จะเป็นผู้ไม่มีโทษนั้นจะมีอยู่บ้างหรือไม่หนอในโลกอริยาสาวกนั้นย่อมรู้อย่างนี้ว่า ข้อที่ว่าเรายังยึดถืออยู่จะเป็นผู้ไม่มีโทษนั้นไม่มีเลยในโลกสังยุตตนิกายขันธวารวักร้อตรัสแนะนำให้สังคยนาพระธรรมวินัยดูก่อนจุนทะเพราะเหตุนี้แหลรรมเหล่าใดที่เราแสดงแล้วด้วยปัญญาอันยิ่ง ท่านทั้งหลายทั้งปวงพึงประชุมกันมาพร้อมกันสังคยนาหรือร้อยกรองพิจารณาอัฏฐะกับอัฏฐะพยัญชนะกับพยัญชนะในธรรมะเหล่านั้นคือจัดระเบียบพิจารณาทั้งโดยเนื้อความและตัวอักษรโดยประการที่พรหมจรรย์นี้พึงเป็นของยั่งยืนตั้งอยู่ตลอดกาลนานข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย167การทำตนให้ชุ่มด้วยความสุขดูก่อนจุนทะมีฐานะอยู่ที่นักบวชเจ้าลทัทธิอื่นพึงกล่าวอย่างนี้ว่า สมณะสักยบุตรเป็นผู้ประกอบหนึ่งเนืองในการทำตนให้ชุ่มด้วยความสุขอยู่คือสุขคันลิกานุโยคท่านทั้งหลายพึงกล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายสุขคันลิกานุโยคอย่างไหนกันเพราะสุขคันลิกานุโยคมีมากมายหลายอย่างมีประการต่างๆดูก่อนจุนทะสุขคันลิกานุโยคสี่อย่างเหล่านี้ ที่เลวที่เป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนคือคนที่ยังหนาไปด้วยกิเลสไม่เป็นของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำนัดเพื่อความดับทุกข์เพื่อสงบประงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานสุขคันลิกานุโยคสี่คือหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนเเขลค้าสัตว์แล้วอย่างตนให้เป็นสุขให้ชุ่มชื่นนี้เป็นสุขคันลิกานุโยกที่หนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แล้วอย่างตนให้เป็นสุขให้ชุ่มชื่นนี้เป็นสุขคันธิกานุโยกที่สองบุคคลบางคนในโลกนี้ กล่าวเทดแล้วยังตนให้เป็นสุขให้ชุ่มชื่นนี้เป็นสุขคันลิกานุโยคที่สามสบุคคลบางคนในโลกนี้ร่างพร้อมบำเรออยู่ด้วยกรมคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสพทธภพที่น่าปรารถนารักใครชอบใจนี้เป็นสุขคันลิกานุโยคที่สี่ครั้นแล้วส่งแสดงการประกอบเนืองเนือง ในการทำตนให้ชุ่มด้วยความสุขที่เป็นฝ่ายดีคือสุขในฌานสี่ซึ่งไม่คล้องอยู่ด้วยการเบียดเบียนผู้อื่นหรือด้วยกามแล้วส่งแสดงผลของการทำตนให้ชุ่มอยู่ในสุขคือฌานนั้นว่าจะทำให้เป็นพระโสดาบันผู้ละสังโยชน์ได้สาคือสักยทิฏฐิความเห็นเป็นเหตุยึดถือกายของตนวิจิกิจชาความลังเลสงสัย และศีลรปตะปรามาตการลูบคลำศีลิละพรดคือถือมงคลตื่นข่าวหรือติดในลทัทธิพิธีทรงแสดงผลของการทำตนให้ชุ่มอยู่ในสุขคือชานั้นต่อไปว่าจะทำให้เป็นพระสกทาคามีผู้ละสังโยชน์ได้สามเหมือนพระโสดาบันแต่ทำราคะโทสะโมหะให้เบาบางลงจะมาสู่โลกนี้เพียงครั้งเดียว แล้วก็ทำที่สุดแห่งทุกข์จะทำให้เป็นพระอนาคามีผู้ละสังโยชนเบื้องต่ำได้หคือสมข้ออย่างที่พระโสดาบันละได้กับเพิ่มอีกสองข้อคือการมราคะความกำหนัดยินดีในกามและปฏิฆะความกระทบกระทั่งแห่งจิตหรือความขัดใจเกิดเป็นอุป ป, ปาติกะหรือโอปปาติกะแล้วนิพพานในที่นั้น ไม่ต้องมาสู่โลกนี้จากที่นั้นอีกจะทำให้เป็นพระอรหันต์คือผู้สิ้นกิเลสข้อความจากปาติกสูตรสำหรับคำว่าอุปป า, ปาติกะหรือโอปป า, ปาติกะคือเกิดแบบเติบโตขึ้นทันทีซึ่งกำเนิดนี้เป็นหนึ่งในกำเนิดสี่นะครับรวมทั้งหมดที่เกิดผุดขึ้นทันทีตัวอย่างเช่น ขีเปรตอสุรกายเทวดาพรหมสำหรับที่เกิดของพระอนาคามีคือสุทธาวาสห้า8พราหม์เกิดจากปากพรหมแน่หรือดูก่อนผู้สืบวงแห่งวาสิตะและภารัวาชะทั้งหลายพวกพราหม์ไม่ได้นึกถึงความเก่า จึงจะกล่าวกับท่านทั้งหลายว่าวันนะพรามเท่านั้นประเสริฐสุดวันนะอื่นๆเลววันนะพรามเท่านั้นเป็นวันนะขาววันนะอื่นๆดำพรามทั้งหลายเท่านั้นย่อมบริสุทธิ์คนที่ไม่ใช่พรามย่อมไม่บริสุทธิ์พรามทั้งหลายเป็นบุตรเป็นโอรสของพรมเกิดจากปากพรมมีพรมเป็นแดนเกิดเป็นผู้อันพรมสร้างสรร เป็นทายาทของพรมดังนี้ดูก่อนผู้สืบวงแห่งวาสิทะและภารัวาชะทั้งหลายคนย่อมเห็นกันทั่วไปว่านางพรามณีของพวกพรามมีรดูก็มีมีคันก็มีกำลังคลอดก็มีกำลังให้บุตรดื่มนมก็มีก็พวกพรามเหล่านั้นเกิดจากโยนิชา คือเกิดจากองค์กําเนิดของมารดาแท้ๆยังกล่าวว่าวันนะพรามเท่านั้นประเสริฐสุดวันนะอื่นเลวเป็นต้นพรามเหล่านั้นยอมชื่อว่ากล่าวตู่พระพรหมกล่าวคําเท็จและประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมากข้อความจากอคัญยสูตร169 วันนะสีมีทั้งที่ทำชั่วทำดีดูก่อนผู้สืบวงแห่งวาสิทะและพารัตวาชะทั้งหลายวันนะสีเหล่านี้คือกษัตริย์หรือนักรบ พ, พรหมหรือนักธรรมพิธีแพทย์คือพ่อค้าในที่นี้สะกดด้วยสอสลายอยักษ์กรันนะครับและสูตรหมายถึงกรรมกร ในที่นี้สะกดด้วยสอสาลาสะอูททหตารรอเรือดูก่อนผู้สืบวงเหงวาสิทธะและภารัตวาชะทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ที่เป็นกษัตรก็มีเป็นพรามก็มีเป็นแพทย์ก็มีเป็นสูตรก็มีย่อมฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดยุให้เขาแตกร้าวกันพูดคำหยาบ พูดเผอเจอมักได้มีจิตพยาบาทมีความเห็นผิดทำเหล่าใดที่เป็นอกุศลนับเนื่องเข้าในอกุศลมีโทษนับเนื่องเข้าในสิ่งมีโทษไม่ควรส่องเสพนับเนื่องเข้าในสิ่งไม่ควรส่องเสพไม่ควรแก่พระอริยะนับเนื่องเข้าในสิ่งไม่ควรแก่พระอริยะเป็นธรรมดำมีวิบากดำ อันผู้รู้ติเตียนทาเหล่านั้นบางข้อปรากฏในกษัตริย์ก็มีในพรามก็มีในแพทย์ก็มีในสูตรก็มีดูก่อนผู้สืบวงแห่งวาสิทะและพารัตวาชะทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ที่เป็นกษัตริย์ก็มีพรามก็มีแพทย์ก็มีสูตรก็มีย่อมเว้นจากการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์ การประพฤติผิดในกรรมย่อมเว้นจากการพูดเท็จการพูดส่อเสียดการพูดคำหยาบการพูดเพ้อเจอ้อย่อมเป็นผู้ไม่มักได้ไม่มีจิตพยาบาทไม่มีความเห็นผิดทมเหล่าใดที่เป็นกุศลนับเนื่องเข้าในกุศลไม่มีโทษนับเนื่องเข้าในสิ่งไม่มีโทษควรซ่องเสพนับเนื่องเข้าในสิ่งควรซองเสพควรแก่พระอริยะ นับเนื่องเข้าในสิ่งควรแก่พระอริยะเป็นธรรมขาวมีวิบากขาวอันผู้รู้สันเสริญธรรมเหล่านั้นบางข้อปรากฏในกษัตริย์ก็มีในพราหมกก็มีในแพทย์ก็มีในสูตรก็มีดูก่อนผู้สืบวงแหเหงวาสิทธะและภารัตวาชะทั้งหลายเมื่อวันณะทั้งสี่ยังดาดเดินทั้งสองทาง ยังประพฤติทั้งในธรรมที่ดำและขาวที่ผู้รู้ติเตียนและสรรเสริญอยู่อย่างนี้คำใดที่พวกพรามกล่าวอย่างนี้ว่าวันนพรามเท่านั้นประเสริฐสุดวันนอื่นๆเลววันนพรามเท่านั้นขาววั น, นะอื่นๆดำพรามทั้งหลายเหล่านั้นย่อมบริสุทธิ์คนที่ไม่ใช่พรามย่อมไม่บริสุทธิ์พรามทั้งหลายเป็นบุตรเป็นโอรสของพรมเกิดจากปากพรม มีพรมเป็นแดนเกิดเป็นผู้อันพรมสร้างสรรเป็นทายาทของพรมดังนี้วินยูชนทั้งหลายยอมไม่รับรู้คำกล่าวของพระามเหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไประดูก่อนผู้สืบวงแห่งวาสิทธะและพารัวาชะทั้งหลายเพราะบรรดาวันณาสีเหล่านั้นผู้ใดเป็นภิกษุเป็นพระอระหรันต สิ้นอาสวะแล้วอยู่จบโรมจรร์แล้วได้ทำหน้าที่เสร็จแล้ววางภาระแล้วบรรลุประโยชน์ของตนแล้วสิ้นกิเลสเป็นเหตุมัดสัตว์ไว้ในภพแล้วพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบผู้นั้นย่อมกล่าวได้ว่าเลิศกว่าวันณะทั้งสี่เหล่านั้นโดยทำอย่างแท้จริงมิใช่โดยชอบรรมเพราะว่ารำเป็นของประเสริฐสุด ในหมู่ชนทั้งในปัจจุบันและในอนาคตข้อความจากอคัญยสูตร170หนึ่งเจตรัสเล่าเรื่องพระเจ้าปเปเสนที่โกศลปฏิบัติต่อพระองค์ดูก่อนผู้สืบวงแห่งวาสิทธะและพารัตวราชทั้งหลายพระเจ้าปเปเสนที่โกศลยอมส่งทราบว่า ระอนุตรสมณโคดมออกบวชแล้วจากสักยะสกุลดูก่อนผู้สืบวงแห่งวาสิตะและพารัตวาชะทั้งหลายก็แต่ว่ากษัตริย์สักยะทั้งหลายย่อมเดินหลังถัดจากพระเจ้าประเสริฐที่โกศลย่อมกระทำความเคารพ ก, กราบไหว้การลุกขึ้นต้อนรับย่อมทำอัญเชลีกรรมสามีจิกรรม คือการกระทําที่เหมาะที่ควรในการให้เกียรติในพระเจ้าประเสริฐที่โกศลกษัตริย์สักยะย่อมกระทําความเคารพ ก, กราบไหว้เป็นต้นอันใดในพระเจ้าประเสริฐที่โกศลพระเจ้าประเสริฐที่โกศลย่อมทรงทําความเคารพ ก, กราบไหว้เป็นต้นนั้นในตถาคตไม่ใช่เพระะทรงคิดว่าพระสมณะโคดมเป็นผู้มีชาติดี เรามีชาติเลวพระสมณะโคดมเป็นผู้มีกำลังเราเป็นผู้ทุรพลพระสมณะโคดมเป็นผู้น่าพอใจเราเป็นผู้มีผิวพันสามพระสมณะโคดมเป็นผู้มีศักดหญ่เราเป็นผู้มีศักดาน้อยดังนี้เลยที่แท้ทรงสักการะธรรมะเคารพธรรมะนับถือธรรมะบูชาธรรมะ นอบน้อมธรรมะตังหากพระเจ้าปเปเสนที่โกศลย่อมทรงทาความเคารพกราบไหว้การลุกขึ้นต้อนรับย่อมทรงทําอัญชลีกรรมสามีจิกรรมในตถาคตอย่างนี้ดูก่อนผู้สืบวงแห่งวาสิตะและพารัตวาชะทั้งหลายโดยปริยายนี้แหละท่านทั้งหลายพึงทราบประการที่ธรรมะเป็นของประเสริฐสุด ในหมู่ชนทั้งในปัจจุบันและอนาคตข้อความจากอกคัญยสูตรหมายเหตุพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าตรัสสอนพวกพราหมณ์แห่งสกุลวาสิทธะและพารัวาชะสักเต็มวา่าวาเสธะพารทวาชาซึ่งนับถือศาสนาอื่นมาก่อนภายหลังมาขอบวชในพระพุทธศาสนา จึงมาพักอบรมอยู่กับภิกษุทั้งหลายตามวินยัยเรื่องการอยู่ปริวาสของผู้บวชในศาสนาอื่นมาก่อน